ตอนเกียรติยศเกียรติคือชื่อเสียงซึ่งเกิดจากความดีภาษาบาลีว่ากิติความหมายเหมือนกันกับเกียรติแต่ที่มีใช้ไปอีกคาหนึ่งว่ากิติศัพหมายถึงเสียงเล่าลือหรือกล่าวขวัญถึงความดีของใครคนหนึ่งความดีที่ทำให้เกิดเสียงเล่าลือนั้นเช่น การบำเพ็ญประโยชน์เรียนเก่งขยันซื่อตรงและอื่นๆือีกตลอดจนความดีทุกอย่างซึ่งทําให้เกิดการชมเชยมีผู้กล่าวขวัญถึงความดีอันนั้นอยู่ทั่วไปใครทําความดีจนมีคนชมหรือกล่าวขวัญถึงอย่างว่านี้ก็เรียกว่าผู้มีเกียรติถ้าใครไปได้อย่างนั้นเข้า ก็เรียกว่าได้เกียรติคนมีเกียรติเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนมีความดีอยู่ในตัวจึงเป็นที่เคารพนับถือของคนอื่นในเรื่องบริวารยศที่ว่ามาแล้วบางท่านอาจนึกหนักใจในการที่จะยึดน้ําใจของบริวารไว้ได้แล้วก็เป็นเรื่องหนักจริงๆ เราจะต้องมีอามิต h ให้พอที่จะเผื่อแผ่แก่บริวารครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเป็นการยากที่เราจะทำเช่นนั้นได้บริวารที่ผูกไว้ด้วยอามิตรเมื่อหมดอามิตรแล้วเขาก็เหินห่างแต่ยังมีอีกทางหนึ่งซึ่งยึดเหนี่ยวบริวารไว้ได้ดีกว่าและแนบเนียนกว่าการผูกด้วยอามิตรดังกล่าวแล้ว วิธีที่ว่านี้ก็คือการสร้างเกียรติยศขึ้นในตัวให้บริวารเกิดความเคารพนับถือและบูชาด้วยจิตใจวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดีเกินคาดทีเดียวเยาว่าแต่หมดอามิตรเลยแม้แต่ตายแล้วก็ยังมีคนคิดถึงและเคารพ บ, บูชาท่านผู้ฟังคงจะนึกตัวอย่างได้ พอที่จะยืนยันคาที่ผมพูดนี้แล้วคนเป็นจำนวนมากที่พากันกราบไหว้พระพุทธรูปที่ชารุดแตกหักหักบางก็มีแต่องค์ไม่มีพระเศียรบางก็มีแต่พระเศียรไม่มีองค์บางก็มีพระเศียรกับองค์ไม่มีพระหัตพระบาทตลอดจนเจดีย์หักหักพังพัง จนไม่มีความสวยงามเหลืออยู่เลยนั่นเป็นเพราะสิ่งเหล่านั้นแฝงไว้ซึ่งพระเกียรติของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาพระพุทธบาทสาะบุรีพระทาตพนมนครพนมพระปถ ม, มเจดีย์นครปฐมพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชปูชนียสถานเหล่านี้ ดึงดูดจิตใจประชาชนให้เดินทางไปนมัส ก, การปีละนับแสนก็เหตุผลอย่างเดียวกับที่ว่าแล้วคุณประโยชน์ของเกียรติว่ากันไม่รู้จักจบท่านผู้สนใจกรุณ า, าพลิกกลับไปอ่านตอนว่าด้วยความดีของยศอีกครั้งก็ได้ความอยากมีเกียรติหรืออยากได้เกียรติเป็นความรู้สึกจากพื้นเพจจิตใจของคนเรา เช่นเดียวกับความอยากเป็นใหญ่และความอยากได้พวกพ้องที่ว่ามาแล้วแต่ความอยากได้เกียรติแสดงออกได้หลายลักษณะเช่นอยากดีอยากเด่นอยากมีหน้ามีตาอยากสอบได้ที่หนึ่งอยากให้เขาชมอยากให้เขาว่าเก่งอยากให้เขาเคารพนับถืออยากชนะในการต่อสู้แข่งขัน ความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความอยากได้เกียรติแต่แสดงออกในรูปต่างๆบางทีเจ้าตัวไม่รู้ว่าเป็นความอยากได้เกียรติความรู้สึกเช่นนี้บางทีมันบังคับอยู่เบื้องหลังการกระทาของคนอย่างอ่อนๆเช่นเวลาเดินคู่กับคนอื่นทำให้เดินลาหน้าเขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อมีชื่อในบัญชีร่วมกับคนอื่น อยากจะให้ชื่อของตนเองอยู่ตอนต้นๆหรือมุมเด่นๆในการร่วมถ่ายรูปหมู่รู้สึกอยากอยู่ตรงจุดเด่น ๆ, ๆเช่นนั่งใกล้ๆผู้ใหญ่รู้สึกดีอกดีใจเป็นพิเศษที่ได้ยืนคุยกับคนใหญ่คนโตหรือคนสําคัญสําคัญหรือมีคนเช่นนั้นมาในงานของตนความรู้สึกเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของความอยากได้เกียรติแต่เป็นความรู้สึกที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจต้องสังเกตดูเองจึงจะเห็นความต้องการเกียรตินั้นไม่ใช่ของเสียพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้บำเพ็ญตัวเป็นผู้มีเกียรติแต่ข้อสาคัญให้รู้จักควบคุมอารมณ์ความต้องการของตนอย่าให้ลาม เพราะความต้องการเช่นนั้นถ้าไม่ควบคุมจะลามไปข้างเสียเหมือนเปลวไฟที่ลุกขึ้นตามบุญตามกรรมปราศจากการควบคุมย่อมเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถ้าความรู้สึกเหล่านี้ได้รับการควบคุมให้เป็นระเบียบคือเอาธรรมะกั้นไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างตัวมากเหมือนเปลวไฟที่ถูกควบคุมไว้ในเตาหรือในหลอดตะเกียง ใช้การใช้งานได้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกนิดว่าไฟเป็นสิ่งประหลาดในโลกมนุษย์เราจะให้คุณต่อเมื่อถูกขังเอาไว้ให้โทษเมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระคืออยู่อย่างไม่มีขอบเขตไฟที่ถูกขังเลี้ยงดูคนทั้งเมืองแต่ก็ไฟอีกนั่นแหละที่หลุดจากการคุมขัง แล้วผ่านบ้านเมืองให้ย่อยยับเหลือแต่ขี้เถ้าความอยากได้เกียรติยศของคนเราก็เหมือนกันถ้าใครควบคุมดีก็มีคุณอนันต์ถ้าใครไม่ควบคุมก็มีโทษมหันตอนเกียรติมาเกียรติไปทีนี้ว่ามาถึงทางมาทางไปของเกียรติพอเห็นทางปฏิบัติ และจะได้รู้ว่ายศคะแนนนี้เกิดและเสื่อมได้อย่างไรได้กล่าวมาแล้วว่าเกียรติได้แก่ชื่อเสียงที่เกิดจากความดีเพราะฉะนั้นทางมาของเกียรติก็คือการทำความดีนั่นเองเกียรติเกิดจากทางอื่นไม่ได้ถ้าชื่อเสียงใดเกิดจากทางอื่นก็ให้พึงทราบว่านั่นไม่ใช่เกียรติบางคน ขอโทษเธอส่วนมากเป็นพวกคนหนุ่มเข้าใจว่าเกียรติได้แก่ความเด่นคือทำอะไรก็ตามให้มันเด่นให้คนเขาพูดถึงหรือเอ่ยชื่อถึงหรือมีรูปถ่ายมีข่าวลงหนังสือพิมพ์คิดว่านั่นเป็นเกียรติแล้วก็เลยหาเกียรติในทางนั้นเป็นต้นว่าแต่งกายวิจาราน หรือคัดค้านโต้เถียงกันในที่ประชุมเอาข้างเข้าถูพิดพิดถูกถูกไม่เช่นนั้นก็แข่งข้อกับผู้ปกครองบังคับบัญชาเหยียบย่าเพิกถอนระเบียบแบบแผนตั้งตัวเป็นหัวโจกนำคนที่รู้เท่าไม่ถึงกาให้แข่งข้อต่อการปกครองดังนี้เป็นต้นเรื่องของเรื่องคือจะให้ตัวเด่น เขาจะได้ว่าเป็นคนมีเกียรติความเข้าใจดังนี้เป็นความเข้าใจผิดผีดจริงจริงการกระทาเช่นนั้นอาจเป็นความเด่นจริงแต่เด่นในทางผิดจึงไม่เป็นเกียรติส่วนความเด่นที่เป็นเกียรติได้แก่ความเด่นในทางทำดีเท่านั้นถ้าจะหาตำรับสร้างเกียรติที่ย่อสมบูรณ์และได้ผลดีจริงกันแล้ว วิธีสร้างเกียรติตามหลักของพระพุทธองค์เป็นเหมาะที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของตำรับได้ทรงปฏิบัติมาจนเห็นผลประจักษ์แล้วแสดงไว้เป็นพุทธวจนะที่สั้นแจ่มชัดและจาง่ายดังนี้สะเจนะกิตติงปะโปติงแปลว่าคนจะได้เกียรติเพราะสัจจะ ซึ่งส่งความให้เราเห็นว่าเกียรติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้และทำได้ด้วยศัจจะเท่านั้นศัจจะคืออะไรและหมายความว่าอย่างไรข้าพเจ้าอธิบายไว้ในเรื่องเรือนชั้นในเรือนชั้นนอกแล้วและส่วนมากหรือแทบทั้งนั้นของท่านผู้ฟังที่เคยฟังเรื่องนั้นมาแล้ว จึงเอาเป็นผ่านได้แต่ใครจะได้เสนอประเด็นของการใช้สัจจะไว้บ้างเพื่อมีให้ความตอนนี้ขาดสาระสำคัญไปตอนสัจจะห้าสถานสัจจะซึ่งได้เคยอธิบายไว้แล้วว่าได้แก่ลักษณะคือความจริงความตรงและความแท้รวมสามอย่าง คนเราทุกคนมีเรื่องสำคัญประจำชีวิตอยู่ห้าเรื่องคือเกี่ยวกับหน้าที่การงานวาจาบุคคลและความดีฉะนั้นการตั้งศัจจา ก, ก็ต้องตั้งลงไปในห้าสถานจำง่ายๆว่าจริงต่อหน้าที่จริงต่อการงานจริงต่อวาจาจริงต่อบุคคลและ จริงต่อความดีหลักการทั้งห้านี้สำคัญมากคนเราจะดีหรือเสียก็ดูกันตรงนี้ในที่นี้ผมขอผ่านการพนันารายละเอียดไปเลยทีเดียวเพื่อนำท่านผู้ฟังรุดไปสู่จดหมายข้างหน้าเมื่อได้ทราบทางได้เกียรติแล้วก็ขอได้โปรดทราบด้วยว่าเกียรติย่อมสูญเสียไป เพราะเหตุผลตรงกันข้ามกับทางได้เกียรติคือเมื่อเรายังมีสัจจะเกียรติก็มีถ้าไม่มีสัจจะเกียรติก็เสื่อมไป